ไม่ควรดูหมินบุญพระพุทธภาสิทธมาวมันเยีทะปุญญาสะนมะตังอาคับวิสติอุระพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญาสะโทกังโทกังปิอาชินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมินบุญว่าบุญเล็กน้อยจะไม่มาถึงนักปราชสั่งสมบุรณ์ทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญเหมือนหม้อน้ําเต็มด้วยน้ํา ที่ตกทิละหยาดฉะนั้นอธิบายความทานองเดียวกับเรื่องบาป ท, ที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่ห้าแห่งวรรคนี้คือบุคคลสั่งสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปชั้นใดคนสั่งสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญชั้นนั้นต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสั่งสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสั่งสมความดีคนดีมีปัญญา ย, ย่อมไหม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยได้เพิกเฉยเสีย เขาย่อมมันเก็บมันสั่งสมคุณงามความดีเวลาเล็กละน้อยเท่าที่กำลังกายกำลังทรัพย์และโอกาสจะอำนวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนะักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลากพันและหลายสันฐานความจริงความดีที่จะต้องทานั้นมีมากที่ต้องออกทรัพย์ก็มีไม่ต้องออกทรัพย์ก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉย และแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากงวโลกนั่นก็เป็นความดีการทำใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราสามารถทาความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญญาคิริยาวัตถุคือวิธีทาบุญไว้สิบอย่างจะ ก, กล่าวโดยย่อดังนี้หนึ่งทานอเมยบุญจากการบริจาค ก, การให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหาร เสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ศีละไม่บุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียน 3. ภาวนาไมั่บุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้วสีอ่อปจายนันไม่บุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อม 5. ้วัยาวัจไมยบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่น ปฏิทานามัยบุญจากการให้ส่วนบุญเจปัตตานุโมทนาไม่บุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมเทศนาไมบุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่น 9. ก้าธรร ม, มัสสวนามัยบุญจากการฟังธรรมสิ 10. ทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นสมาธิเห็นชอบตามทนองครองธรรม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 แต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวซับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าซับตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษรักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทาจริงๆ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเศรษฐีชื่อพิลาละปาทะกะคือเศรษฐีตีนแมวมีเรื่องยอดดังนี้สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีชวนกันถวายทานแด่พิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้โภคาสมบัติแต่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนไม่ชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้ทั้งโภคาสมบัติและบริวารสมบัติบางคนให้ทานด้วยตนและชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโภคาสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้ว ครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งฟังอนโมธนาแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าอาัศจรรย์แท้เราควรทํากรรมอันจากอํานวยสมบัติทั้งสองคือโัคสมบัติและบริวารสมบัติดังนี้แล้วกราบทูลพระศัสดาขออารัธนาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับพัฒตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระสถาคตเจ้าส่งรับแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่า ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้สวยพระตาหาในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดาและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำพึ่งเป็นต้นก็ขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจะรวบรวมของเหล่านั้นเข้าโดยกันหุงต้มในที่เดียวกันแล้วถวายทานที่นั่นมีเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบัณฑิตนั้นมาถึงหน้าร้านของตนไม่ชอบใจว่าเจ้าคนนี้ ไมนิมนต์พระให้พอควรแก่กำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกดังนี้แล้วให้ของไปอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเมื่อจะให้ข้าวสารก็เอานิ้วสามนิ้วหยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ถั่วก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่าพิราละปะทกะมีเท้าเหมือนแมวคือเบามากเมื่อจะให้เพสัตมีเนยใสและน้าอ้อยเป็นต้น ก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียงสองสามหยดเท่านั้นอุบาสกรวมเวัตถุต่างๆที่คนอื่นให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือรวมกันไว้แต่แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ต่างหากเศรษฐีเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วคิดว่าทําไมหนอเจ้าคนนี้จึงแยกของของเราไว้แผนกหนึ่งต่างหากจึงให้คนใช้คนหนึ่งตามไปดูว่าเขาจะเอาของนั้นไปทําอย่างไรบุรุษผู้เป็นบรรัณฑิตนั้น เอาของเศรษฐีผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐีคนใช้ได้เห็นอากาศนั้นแล้วนำไปบอกแก่เศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเน็บกริดติดไปด้วยตั้งใจว่าถ้าชายคนนั้นกล่าวโทษไร้ไรของตนก็จะฆ่าบุรุษนั้นเสียเขาพยืนอยู่ในโรงครัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากคนเป็นอันมากแต่ละคนได้ให้ของมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่คนเหล่านั้นด้วย เ, เถิดเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเรามาที่นี่ด้วยจังใจว่าจะฆ่าบุรุษนี้เสียเมื่อเขาเอ่ยชื่อเราว่าเศรษฐีชื่อโน้นหยิบข้าวสารเป็นต้นด้วยนิ้วแล้วให้แต่บุรุษนี้เอาธยธรรมต่างๆมารวมกันแล้ว ขอให้ผลอันไผศสารจงมีแก่ผู้บริจาคทุกคนไม่เลือกว่าให้มากหรือให้น้อยหากเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษอาจยายแห่งเทพเจ้าก็จะตกลงบนศีรษะของเราเศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นพลางกล่าวว่านายขอจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าเลยเถิดอะไรกันนี่บัณฑิตถามเศรษฐีได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟัง พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจากเศรษฐีแล้วตรัสว่าไม่ควรรูหมินบุญว่าน้อยบัณฑิตทำบุญอยู่บ่อยๆแม้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยย่อมเต็มบรดบุญดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาวะมันเยถะปุญยะสะเป็นต้นมีนัยะดังพณ น, นามาแล้ว